ข้อที่32แม้พระโพธิสัตว์เป็นดาบทอยู่ในหิมะวันตับประเทศเมื่อจะกล่าวสอนดาบทกุมารผู้เป็นบุตรของตนผู้กระสันขึ้นแล้วประสงค์จะออกจากป่าไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในฮาลิทะราคชาดกในนวกะนิบาทว่าผู้ใด ไม่มีกรรมชั่วทางกายทางวาจาทางใจเจ้าไปจากที่นี้แล้วจงตั้งในวงเล็บตนไว้เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกฉะนั้นคบหาผู้นั้นอันหนึ่งบุคคลใดประพฤติโดยธรรมแม้ประพฤติอยู่ก็ไม่เย่อยิงเจ้าไปจากที่นี้แล้วจงคบหาบุคคลนั้น ผู้มีปกติทำกรรมอันหมดจดมีปัญญาลูกเอ๋ยหากว่าวงเล็บเปิดสักกะละช้ำพูธีปะตลังวงเล็บปิดพื้นชมภูทวีปทั้งสิ่นนี้แม้จะพึงเป็นที่ไร้มนุษย์สยเจ้าก็อย่าคบหาบุุษผู้มีจิตตุดลิงวงเล็บเปิดตลกตะ แ, แลงวงเล็บปิดเป็นดังผ้าที่ยอมด้วยขมิ้น ผู้รักง่ายไหนเร็วเช่นนั้นเลยเจ้าจงเว้นคนเช่นนั้นให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นอสรพิษตัวดุร้ายเหมือนคนเว้นทางใหญ่อันเปื้อนคูดเหมือนคนขับยานเว้นหนทางที่ไม่เรียบฉะ น, นั้นลูกเอย๋ยความชิบหายทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คบหาคนผ่านเกินไปเจ้าอย่าสมาคมกับคนผ่านนะ วงเล็บเปิดพานละสังวาโสหิวงเล็บปิดเพราะการอยู่ร่วมกับคนพานวงเล็บเปิดทุกโขว ง, งเล็บปิดนำทุกขมาให้ในการทุกเมื่อตูดการอยู่ร่วมกับศัตรูฉะนั้นลูกเอย๋ยวงเล็บเปิดตังเท่ากับเตนะวงเล็บปิดเพราะเหตุนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้า เจ้าจงทำตามคําขอพ่อเจ้าอย่าสมาคมกับคนพานเลยเพราะการสมาคมกับพวกคนพานเป็นเหตุนำทุกมาให้มันดาบทเหล่านั้นบทว่าอุราศีวะความว่าดำรงคือตั้งวงเล็บเปิดตนวงเล็บปิดไวให้เหมือนบุรุษผู้เกิดแต่อกของมารดาฉะนั้นอธิบายว่าเจ้าดำรงวงเล็บเปิด งปิดไว้อย่างนี้แล้วพึงสำคัญดุจมารดาของตนคบหาบุคคล น, นั้นบทว่าท่าเมนะได้แก่โดยธรรมคือสุจริตสามอย่างนั่นเองบทว่าน้ำมัญติความว่าอันหนึ่งแม้ประพฤติอยู่อย่างนั้นก็ไม่ทำความจองหองว่าเราประพฤติธรรมบทว่าวิสุทธการิง ความว่าผู้ทำกรรมอันบริสุทธิ์คือกุศลกรรมมบทสิประการบทว่าอลิาธาราคังได้แก่ชื่อว่าผู้เช่นกับผ้าที่ยอมด้วยขมิน้นเพราะความเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงบทว่ากปีจิตตังได้แก่มีจิตวอกแวกคือมีจิตกลับกลอกบทว่าปุริสังได้แก่บุคคล บทว่าราคะวิราคีนางได้แก่มักรักใกรและมักจือจางมึงล็้เปิดเร็วมึงไล้ปิดอธิบายว่ามีสภาวะรักแล้วจือจางไปในขณะนั้นนั่นเองบาดข้าถาว่านิมมนุสสังปิเจสิยาความว่าแม้ถ้าพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นจะเป็นที่อยไร้มนุษย์ใส บุคคล น, นั้นคงเป็นมนุษย์อยู่คนเดียวเท่านั้นแม้ถึงกระนั้นเจ้าก็อยากคบบุคคลเช่นนั้นบาตก็้าถาว่ามินหฮลิตังมหาประถังได้แก่เหมือนคนเว้นหนทางใหญ่อันเปื้อนคูดฉะนั้นบทว่าญาณีวะได้แก่เหมือนคนผู้ไปด้วยยานฉะนั้นบทว่าวิสมัง คืออันไม่เรียบโดยความเป็นที่รุ่มที่ดอนและด้วยวัตถุมีตอและก้อนหินเป็นต้นบาทคาถาว่าบาลังอัจจูปเสวโตได้แก่ผู้คบจนสนิทซึ่งคนผู้มีปัญญาน้อยบทว่าสัพธาความว่าขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนพาลปานดังการอยู่ร่วมกับศัตรู เป็นเหตุนำทุกมาให้ตลอดการหนึ่งนิดทีเดียวบทว่าตันตาหัางความว่าพระเอตนนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้า